ทันศีนี่น ส, นสำคัญมากๆเลยที่เป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติท่านบอกว่าเป็นประมุขเป็นประธานเป็นหัวหน้าแห่งการถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งปวงก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเราไปไปทำอะไรที่ไม่ดีเราก็ตำหนิตัวเองก่อนถ้าตำหนิตัวเองนะหมายถึงว่าศีนตรงนั้นเราสุดแล้วนะตรงนั้นเหมือนก็ว่าสุดแล้ว ไม่ปราโมทไม่ร่าเริงเพราะคนที่จะปฏิบัติสา ม, มารถบรรลุมรรคผลจริงๆต้องร่าเริงอย่างเต็มที่เนี่ยนะกระต้องร่าเริงต้องผ่องใสยอย่างเต็มที่จึงจะปฏิบัติบรรลุได้ถ้าไม่ไม่เข้าองค์ประกอบเหล่านั้นก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วศีละเนี่ยโดยศัพ์โดยศัพท์มีแปลได้เยอะนะแต่ว่าที่ประสงค์ที่เอามาแสดงในที่นี้อัตถะคือศีลละนะ มีสองความหมายคือหนึ่งรองรับกุศลธรรมชั้นสูงสองกายวาจาไม่เกลื่อนกลมกระจัดกระจายเนี่ย น, นีอันนี้คือความหมายของศีลเนี่ยกายวาจาไม่เสียหายที่บกพร่องตัวเองตําหนิตัวเองผู้อื่นตําหนิเนี่ย น, นีกับกายวาจาเหล่านั้นแหละที่สามารถรองรับคุณธรรมชั้นสูงแล้วก็ศีลกับปัญญาท่านบอกว่ามาคู่กันศีลถ้าไม่มีปัญญาชําระบริสุทธิ์ไม่ได้ แม้กระทั่งในพระวินยัยท่านก็แสดงว่าชนเหล่าใดไม่รู้จักฝูงโคก็รักษาโคไม่ได้ฉันใดผู้ที่ไม่รู้จักศีลไม่รู้จักวัดทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะประพฤติให้เต็มได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรักษาศีลเนี่ยกายวาจาแค่ไหนจึงเรียกว่าเสียหายไม่เสียหายเนี่ยนะอันเนี้ยจะต้องจะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่ารักษาศีลนั้นนั่งนิ่งๆอย่างเดียวแล้วเป็นศีลนี่ถามว่าถ้าอยู่กับพ่อแม่ทํำยังไง ที่จะต้องไม่มีโทษนะถ้าเอาว่าไม่มีโทษเป็นหลักเนี่ยนะแล้วรองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าอยู่กับผู้มีคุณทั้งหลายก็ต้องประพฤติใช่ไหมเป็นจารี t ศีลแต่ถ้าเป็นกษัตริย์ทั่วไปก็เว้นจากการฆ่าเป็นต้นนั่นเองดังั้นตัวความหมายโดยอัตถสาระของศีลก็อยู่ที่กายวาจาใจไม่เออกายวาจาไม่เสียหายเกลื่อนกลนกระจัด ก, กระจายไม่มีความเสียหายทางกายวาจากับ พฤติกรรมอั น, นั้นแหละที่รองรับคุณชั้นสูงได้ศีษอันนี้เป็นที่เรียกว่าเป็นศีษที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เคยจะเป็นอย่างนี้ว่าศีษที่รักษาดีเนี่ยนะที่สังวรดีสำรวมดีระวังดีย่อมมานำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะอันนี้เป็นทรงของเีษนะทั้งที่สุดของศีษก็รักษาได้ดีก็จะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงก็คือสุขที่มาจากศีษ ทีนี้ศีลเนี่ยถือว่าเป็นบาตเบื้องล่างอย่างดีของสมาธิสมาธิก็เป็นบาตอย่างดีของปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญาประชุมกันเมื่อไหร่อันนั้นเป็นมัชเนี่ยนะเป็นอารยมัชแต่ขณะที่รักษาศีลเนี่ยก็เป็นมัชเนี่ยนะเดี๋ยวเขียนซะมาไม่รู้ว่าจะเข้าใจง่ายหรือว่าเข้าใจยากเพราะเขียนก็ไม่ทราบเธอโดยลําพังเนี่ยนะ โดยลําพังทางกายวาจาเนี่ยกายกายก็คือกายวิญญัต์วาจาก็คือวจีวิญญัต์ถามว่าเป็นมรรคไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมรรคเพราะกายวาจาเหล่านี้ก็แบ่งออกเป็นสองคือสุจริตกับทุจริตกายวาจาที่ทูจิริตนะเป็นมรรค ที่นําไปสู่อบายเนี่ยนะเป็นมรรคเหมือนกันนะแต่เป็นมรรคเพื่ออบายกายวาจาที่สุจริตก็เป็นมรรคเพื่ออะไรมนุษย์กับเทวดามนุษย์เทวดาเป็นผลของกายสุจริตวจีสุจริตทีนี้ถ้ากายสุจริตวจีสุจริตเหล่านี้นี่แหละโดยเฉพาะสุจริตเหล่าเนี่ยเป็นฐานแห่งมโนสุจริตเนี่ยนะ ไา้วาจาเหล่านี้นะเป็นฐานของมโนสุจริตแล้วมโนสุจริตตัวเนี้ยแบ่งออกเป็นเท่าไหร่แบ่งเป็นสามย้คืออาณพิชาอัพยาบาทแล้วก็อะไรสัมมาทิฏฐิอาณพิชาเนี่ยนะอนณพิชาเนี่ยที่สุดของเขาอยู่ที่ไหนอาณาพิชานี่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มอสุภะ กับกระสินเพราะฉะนั้นถ้าอนนาพิชาที่บริบูรณ์นะจะนำมาซึ่งพรหมโลกอันนี้ก็เป็นมรรคนะอนนาพิชาก็เป็นมรรคแต่เป็นมรรคเข้าสู่พรหมโลกตัวอพพยาบาทก็นำมาซึ่งอะไรพรหมมิหารนะพรหมวิหารก็เป็นทางแห่งพรหมโลกแต่ทั้งหมดเนี่ยนะทางแห่ง กายสุจเรตวจีสุจเรตเป็นทางแห่งมนุษย์กับเทวดาต้องมีสัมมาทิฏฐิประกอบตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยนะมนุสุจเรตที่เป็นอาณาพิชาอัพยาบาทก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิประกอบตามสมควรแก่ฐานะทีนี้ถ้าหากว่าสุจเรตสามบริบูรณ์ถ้าลำพังสุจเิตสามบริบูรณ์นะ ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสาระของกายสุจริตวจีสุจริตคืออะไรสาระของกายะสุจริตวจีสุจริตอยู่ที่ไหนอยู่ที่วีรตีสามเนี่ยนะอยู่ที่วีรตีสามสาระของอนนพิชากับอัพทยาปาธาที่บริบูรณ์อยู่ที่ไหนอนนี้ก็สัมมาวะสัมมาวายามะสัมมาสติกับ ถ้าสัมมาสมาธิถ้าสมมาทิถิที่บริบูรณ์นำมาซึ่งสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะจึงจะ บ, บริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอริยมรตมีองค์แปดตัวในครั้งหนึ่งว่าสุดทูตจิติก็เป็นมรอแต่เป็นมรตไปสู่อบายสุกาย ส, จาจสุจริตวจีสุจริตก็เป็นมรตแต่เป็นมรตเพื่อสู่สุขติโลกสวรรค์ มนุสสุจริตคืออนาพิชาอัพยาบาทก็เป็นมรตแต่เป็นมรตเพื่อสู่พรหมโลกถ้ามีสัมมาทิฏฐิไปไปร่วมแล้วก็เอาสุจริตสามนี่ให้มาประชุมกันแล้วก็มีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เรียกว่าอาสังคตาธาตุเนี่ยนะทนิพานเป็นอารมณ์อันนี้เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ก็จะเป็นมรตแต่ทีนี้โดยทั่วๆไปเนี่ยคนก็จะ เนื่องจากสาคําสอนไม่ค่อยไม่ค่อยดีนั ก, ก น, นะก็เลยเอาอริยมรรคไปอธิบายทุกเรื่องจริ ง, รงๆแล้วในขณะที่บําเพ็ญสุจริตก็เป็นมรรคแต่ไม่ใช่อริยมรรคขณะที่บําเพ็ญมโนสุจริตก็เป็นมรรคแต่ไม่ใช่อริยมรรคถ้าอริยมรรคเมื่อไหร่ก็จะต้องประชมด้วยองแตกมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะเรียกว่าอริยมรรค แต่ถ้าเป็นเบื้องต้นก็เป็นมักไม่ใช่อริยมักอย่างเช่นสติปัฏฐานพระองค์ก็เรียกว่ามักนะสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะก็เป็นมักแต่เป็นมักเพื่ออริยมักเพราะสติปัฏฐานที่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่อริยมักแต่สติปัฏฐานที่เจริญ น, นี้เป็นอุปนิสัยให้อริยมักเกิดเนี่ยนะเพราะ อย่างสุจริตสามมีอะไรเป็นอารมณ์ทุจริตสามมีอะไรเป็นอารมณ์คือตัวสุจริตนะทั้งกายยสุจริญวจีสุจริตอันนี้ก็มนุสุดจริตก็สุดจริตแต่ที่แตกต่างกันเพราะอารมมณะปัจจัยแต่อย่างพื้นฐานอย่างเช่นเหตุใกล้ๆของสุจริญที่เป็นกายยสุจริตวจีสุจริญคือฮิริกับโอตัปปะส่วนมนุสุจริตโดยเฉพาะมนุสุจริตนะ มีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็บอกมีสุดจริตพวกเนี้ยเป็นเหตุใกล้มีกายสุดจริตวจีสุจริตเนี้ยนะเป็นเหตุใกล้แห่งมโนสุดจริตอีกครั้งหนึ่งนี้ถ้าเอาสุดจริตเหล่านี้มาประชุมกันให้ได้ละ่ะอันเนี้จึงเป็นมรคเพราะฉะนั้นมรคเนี่ยนะก็จึงศึกษาแบบง่ายๆอย่างนี้ว่าหนึ่งทางเท้าถ้าเป็นมรคนะี่ยสับว่ามรคแปลว่าทางเช่นทางเท้าทางใบโนดมานี่ทั้งหลายนี่หนึ่งก่อนนะ สองทางไปสู่อบายสามทางไปสู่มนุษย์สี่ทางมาสู่เทวดาห้าทางไปสู่พรหมโลกหกทางพ้นทุกข์ทางแห่งพ่านิพพานเนี่ยนะทางแห่งความพ้นทุกข์เพัาะถ้าศัพท์ว่าทางเนี่ยกว้างแต่ทีนี้ในบรรดาทางที่ลึกซึ้งยากกระเพื่อนคือทางที่ประชุมด้วยองค์แปดเนี่ยแหละ เพราะทางที่ประชุมด้วยองแปดนะต้องมีคุณธรรมของเนี่ยสุจริตทั้งที่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตมันจึงจะคู่ควรแก่การออกจากวัะเนี่ยนะเพราะเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์จากวัะนั้นทางที่บริสุทธิ์จากวัตะเนี่ยต้องเป็นที่ไม่ทุจริตต่อวัะเลยแม้แต่นิดเดียวรอบรู้วัะและถอนตนออกจากวัะเนี่ยนะนี่เป็นทางแห่งทนิพพานนั้นเป็นอย่างนั้น พวกผูจริญต่อวัตตนนี่เป็นยังไงพวกทุจริญต่อวัตตนนะเช่นทําความชั่วด้วยกายเช่นง่ายๆเลยนะวัตตนคือมหาพูดพูจริญกับมหาพูดนี่ไหมกายทูตเจริตวิจีทุตเจริตกับมหาพูดทําความชั่วกับมหาพูดเพราะมหาพูดนี่แบ่งเป็นสองอย่างใช่ไหมภายในกับภายนอกหรือไ ง, ไง่ายๆมีชีวิตกับนะไม่มีชีวิตเนี่ยนะ มหาพูดที่มีชีวิตเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงไม่ให้ทุจริตง่ายๆอย่างเนี้ยมหาพูดที่มีชีวิตนั่งกันอยู่เนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับเขายังไงไม่ให้เป็นทุจริตแล้วเกี่ยวข้องยังไงให้เป็นสซจริตแล้วมหาพูดที่ไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้ใบหญ้าที่นั่งทั้งหลายเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงไม่ให้เป็นกายะทุจริตและวจีทุจริตแล้วทีนี้ต่อไปคิดในมหาพูดยังไงให้เป็นอาณาพิชากับอพยาบาทใน ทูตจริญเหล่านี้ในในมหาพูดเหล่านี้เช่นอาณาพิชาเจริญมหาพูดนะถามว่าเจริมหาพูดนะั้นะัันะนะนนะ้เป็นที่ตั้งแห่งอสุภะก็ได้กสินก็ได้ปัทวีกสินอาโปกสินเตโชกสินวายโยกสินเห็นไหมส่วนพรหมวิหารก็ปรารบชีวิตตินรีย์ในมหาพูดนั่นแหละแล้วก็เจริญเมตตาเป็นต้นไป ชีวิตคืออะไรคือมหาภูตรูปประชุมพร้อมกันบริบูรณ์นะชีวิตอินทรียีมนาศัยมหาภูตรูปเกิดแต่นี้ไม่ได้คิดในแง่มหาภูตแต่คิดในแง่ชีวิตซึ่งเป็นอุปาทายรูปเนี่ยนะเพราะอุปาทายรูปนั้นก็ถามง่ายๆว่ามองเห็นคนเป็นกับคนตายนี่แยกออกไหมแล้วรู้ได้ยังไงว่าอันนี้สพนะนี่คนตาย น, นี่คนเป็นนี่รูปปั้นนี่ไม่ใช่รูปปั้นเนี่ยนะกับเพราะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยนะ พรชีวิตนี้รู้ได้ทางใจเสร็จ แ, แล้วก็ใส่ใจมหาพูดอันเนี้แล้วก็เจริญเนียสุจริตไปถ้าฝึก เ, เกี่ยวข้องกับมหาพูดแล้วประพฤติเป็นกายะสุจริตทั้งที่เป็นกายสุจริตว จ, จีสุจริตมนุสุจริตไม่ได้การที่จะพิจารณาเหตุเกิดของมหาพูดเนี่ยได้ไหมไม่ได้ถามว่าทําไมไม่ได้ เพราะคนมันจ ะ, ะเารียกว่ามีอคติอยู่ในตัวเช่นว่าปกติเกิดมานะประพฤติผิดต่อมหาพูดมาตลอดแสยงว่าถ้ามีเกี่ยวข้องกับที่ดินก็โกงที่ดินมาตลอดเนี้ยงไหมเกี่ยวข้องกับมหาพูดก็ฆ่าเข้ามาตลอดเลยไหยถามว่าถ้าทําชั่วมาขนาดนั้นอยากเชื่อไหมว่านรกมีจริงอยากเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นไอความเกิดนี่ก็ปฏิเสธสมุทัยของมหาพูดก่อน ปฏิเสธสมุทัยของมหาพูด่อนว่าเพราะตัวมหาพูดเนี่ยนะคำเนี่ยอมความแค่ไหนอมความตั้งแต่อบายจนถึงพรหมโลกเพราะว่ามหาพูดเนี่ยอนาเขตของเขากินไปจนถึงพรหมโลกเลยใช่ไหมสุทาวาทยังมีมหาพูดเลยเพราะถ้าใครที่จเจริญมหาพูดจริงๆจะต้องพิจารณา ว, วัตตาในภูมิสามทั้งหมดด้วยเพราะว่าอย่างอารูปประรมก็คือพบที่ไม่มีมหาพูด ถ้าพิจารณามหาพูดมากแล้วนะสิ่งที่ไม่มีมหาพูดก็ไม่ยากนี่มหาพูดเหล่านี้เนี่ยนะสมุทัยก็กรรมใช่ไหมเป็นตัวจําแนกให้มหาพูดเลวมหาพูดประณีตมหาพูดอบายสุขติเป็นต้นเพราะฉะนนั้ถ้าทําทุจริต ด, ด้วยกายด้วยวาจามามากนะก็ไม่อยากเชื่อเลยว่ากรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งมหาพูดถ้าปฏิเสธสมุทัยนะแล้วมุ่งจะปฏิบัติเพื่อดับ เป็นไปได้ไหมเพราะรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้ความดับหมายถึงว่าถ้าดับสมุทยัยมหาพูดก็ดับเมื่อชาวที่คุยกันว่าถ้าจะดับมหาพูดเนี่ยนะถ้าจะออกจากมหาพูดเนี่ยออกออกออกขณะไหนออกโดยอะไรออกเช่นว่าเออเนี่ยฉันเบื่อแผ่นดินแล้วนะจะไม่อยู่กับแผ่นดินแล้วใช่ไหมแล้วออกแน่ไหนออกมากว่าไม่ขอเกิดอีกแล้วเนี่ยนะไม่ขอเกิดโดยอาศัย อัตวีธาเป็นต้นอีกแล้วจึงเรียกว่าดับมหาพูดอย่างแท้จริงคีนี้มหาพูดก็ยังมีอาัศาธามีอาทินวะนิสระก็คือตัดฉันทะาคะในมหาพูดดันั้นการปฏิบัติที่รู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อาัศาธาอาทินวะนิสระของมหาพูดนี่แหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน